أعوذ ب ا ل له من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ملا نبيا بعده وعلى آله وصحبه ا ل مايامين الله ملك الحمد حتى ترضى والحمد إذا ر ض ي ت والحمد بعد رضا أما ب ق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อย่างที่พี่น้อง หลายท่านอาจจะสังเกตนะครับว่าวันนี้อ า, อาทิตย์นี้ตรงใช่ครับอาทิตย์นี้เราก็จะคุยเกี่ยวกับสุรัตน์ทับซีกันเยอะหน่อยเกี่ยวกับการทับซีสุระ่งเยอะหน่อยนะครับซึ่งก็วันพุธพระธาตสุก็ถือว่าจะได้คือบางทีก็หยุดไปเป็นช่วงหนึ่งก็เลยอยากจะเอาเนื้อหาให้ไปได้อีกสักช่วงหนึ่งนะครับผมเราจะคงคุยกันอยู่ในสุรตัตน์เบลล์ สุรัตุบลัดเมืองเมืองมีครับผมมาอยู่ในช่วงอายที่สิบกอ็ด فلا ม ت حمل أقبا و َาَพระเจ้า سبحانه และ่น้องทบทวนในส่วนแรกๆของสุรตุลบลัดนะครับผมเราก็พบว่าพเราได้สาบานกับเมืองที่ปลอดภัยนั่นก็คือเมืองฮารอมเมืองมกาณ์นั่นเอง หลังจากนั้นพวงละก็ได้บอกว่าพลมนุษย์ม่ให้มีความยากลาบากซึ่งมนุษย์ก็มีทั้งประเภทที่แบบว่าชอบโอ้อวดกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เขามาโดยที่เขาไม่ได้คิดหรือว่าคราวนั้นจะถูกสอบสวนเลยที่เขาไม่ได้ตระหนักเลยหรือว่าทั้งหมดเป็นความเมตตาที่มาจากพวงละซึ่งพวงละ ก, ก็บอกคุณลักษณะต่างๆหลายๆอย่างของพวกเขาเช่นหลังจากที่บอกว่าอุั a l l a ยังปิรูปเขาให้อหัดเขคิดว่าไม่มีใครจะสามารถจัดการเขาได้เลยอย่าคุอัลลอฮตุมาระลุบะดาอายะสบุอัลัมยารหัวอหัดคิดว่าไม่มีใครเห็นเขาเลยเรื่อนั้นหรือไม่ใช่ว่า Allah ให้เขามีตามีหูมีปากมีลิ้นมีอะไรอย่างนั้นเรื่นั้นหรือแล้วพอเราก็ได้บอกว่าซึ่งคนประเภทเนี่ยประเภทที่ว่าคิดว่าไม่มีใครจัดการเขาได้แล้วก็เป็นคนที่คิดว่าตัวเองแม่ เป็นคนที่คิดว่าไม่มีใครเห็นเวลาที่เต็งทาสิ่งที่ไม่ดีพวกเราบอกว่าฝรักงตะหามะลากระบาพกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้ที่จะเลือกหนทางที่ลาดชันหรือว่าไม่ได้เลือกที่จะปีนชันนั่นผาอย่างที่เราบอกคือถ้าเกิดแปลเป็นชันนั่นผาความหมายตรงกว่าแล้วมันจะมันจะอินมากกว่าถูกไหมครับถ้าเราแปลแค่ว่าเดินที่สูงสูงชันมันก็ธรรมดาแต่ในอัลกุรอานพวกเราใช้คําที่หนักกว่านั้นก็คือว่าพวกเขาไม่ได้เลือกที่จะปีนชันนั่นผาที่สูงชัน แล้วฉะนั้นพอเราแกะเขาบว่ามาอัตตาร์มาลอัคบาแล้วอะไรล่ะที่ทําให้เจ้ารู้ว่าอัคบานั้นคืออะไรซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันไปเมื่อวานว่าเมื่อไหรก็ตามที่อเราเจอคำว่าอัตตาร์แกแต่ว่าพวกเราจะอธิบายให้เราฟังแน่นอนว่ามันคืออะไรอะไรคือการปีนชั้นล้นผาที่ต้องใช้ความอดทนที่ต้องใช้ความกล้าหาญที่ต้องใช้ความเข้มแข็งพวกเราบอกเลยครับฟัก ฟักรกรักกะบาฟักกูรักกะบาอ่านที่สองแบบพระอ่านว่าฟักแจรักกะบาก็ได้หรือว่าฟักกูรักกะบาก็เป็นคีรออามุตวาเตส ท, ทางคู่ครับทีนี้ครับพี่น้องที่รักฟักกูรักกะบาแปลว่าอะไรคาสั้นๆที่โพล้อสุภาหน่วยตาลาใช้หลังจากที่บอกว่าทาไมไม่เลือนปีนชันง่วนผาที่สูงชันกันละ่ะฟักกูรักกะบาหมายถึงการบด เรื่องการปลดให้หลุดออกไปฟักกุร์ลกบะปลดต้นคอให้เป็นอิสระปลดต้นคอให้เป็นอิสระซึ่งสเสมือนฟักกุร์ลกบะเสนอจะใช้กับต้นคอที่ว่าถูกล่ามตรวนอยู่พี่น้องเคยเห็นไหมครับหรือจินตนาการออกไหมครับเวลาที่แบบว่าใครที่ว่าถูกทําให้อยู่ในสภาพที่อัปะยศที่สุดเนี่ยเขาจะผูกโซ่ตรวนไว้ที่คอ แสดงถึงความอาประโยชน์สุดๆเวลาปุ๊บก็บมาล่ามโซ่แล้วก็ลากไปนั่นลากมานี่นี่คือแทบไม่เหนือความเป็นคนแล้วอย่างถ้าเกิดยุคนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดตํารวจจับคือตํารวจเขาก็จะดีกเลี่ยงครับจะไม่เอาอะไรมาผูกตัวไว้ที่คอเพราะมันเป็นการทําร้ายจิตใจเกินไปมันเป็นการดูถูกคนเกินไปส่วนใหญ่ถ้าจะมัดก็คือก็จะมัดเหนือก็จะมัดเหนือแล้วก็ลากไปถ้าเกิดมีใครที่โดนลากคออันนี้คือ เคสที่แบบว่าไม่เหลือเกียรติยศใดๆทั้งสิ้นแล้วซึ่งพี่น้องที่รักครับคําว่าฟักกูร์ลกบาเนี่ยที่ว่าปดตวนที่ผูกรัดอยู่กับต้นคอเนี่ยพวเราบอกว่านี่คือหนึ่งในการเลือกปีนชะงน้นผาที่สูงชันมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่คนทุกคนที่จะสามารถปลดตวนที่อยู่กับต้นคอได้ มันไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้ต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นต้องเป็นคนที่มีความกล้าหาญอย่างแท้จริงเพราะมันใช้หลายๆปัจจัยเพราะคำว่าปทตัวนที่ผูกรัดกับต้นคอเป็นคำที่ความหมายครอบคลุมกว้างเยอะมากๆปดตรวนต้นคอให้รอดพ้นจากอะไรบ้างละ่ะอย่างน้อยที่สุดครับมีอยู่6อย่างจากการใช้คำว่าฟักกัวร์กบะพี่น้องอย่าลืมนะครับในเรื่องของทับี เราใช้กฎเดียวกับที่นักฟิสิใช้นั่นก็คืออัลไบโอโมเมนตัลส์ละบิคูซูสอสซาบเวลาเราคํานึงถึงหุกขมต่างๆถึงความหมายต่างๆเราจะดูที่ความหมายของมันถ้าความหมายสื่อได้แค่ไหนนั่นคือครอบคุนได้ขนาดนั้นเหมือนกับตั้ซีพี่น้องจะพบเจอในหลายอายาใช่ไหมครับแปลอย่างนั้นก็ได้แปลอย่างนี้ก็ได้ไไดถ้าตัดใดก็ตามที่เป็นความหมายที่มันเป็นไปได้แล้วถูกต้องที่ดีงามแปลได้หมดเลย เพราะ น, นาว่าฟักกูรักะบาบางท่านจจะแปลว่าปล่อยท่าปล่อยท่าเป็นเพียงหนึ่งในความหมายของคําว่าฟักกรักะบาการปวดตวนออกจากต้นคอเนี่ยครอบคุมไปถึง6อย่างเป็นอย่างน้อยถ้าเกิดปวดตวนจากต้นคอถ้าพูดอย่างนี้บ่อยๆมันฟังดูเข้าใจยากเอาเป็ว่าปลดปล่อยให้เป็นอิสระปวดปล่อยให้รอดพ้นแล้วกันปวดปล่อยให้รอดพ้นจากอะไรบ้างครับ อันแรกแน่นอนครับปลดปล่อยให้รอดพ้นจากการเป็นทาสเข้าขายฟักกัร์กับะผู้ผู้ล อ, อ, อ, อสซิบาร์นัวตาดได้บอกว่านี่คือหนึ่งในหนทางที่เรียกว่าการปีนป่ายหน้าผาที่สูงชันเพราะอะไรครับเพราะทาสหนึ่งคนเนี่ยมีมูลค่าที่ราคาสูงแล้วก็บางทีเจ้าของทาสเนี่ยใช้ปโยชน์จากทาสอยู่ทาสคอยช่วยเงินทาสคอยช่วยนี้ถ้ามวลาปล่อยไปปุ๊บแล้วใครจะมาช่วยฉัน บางท่านจะสังเกตบางท่านอาจจะสงสัยว่าาจายุคนี้มันยุคไหนแล้วเขาเลิกทาตกันไปตั้งนานแล้วพี่น้องทาตไม่มีวั น, นสูญสลายไปจากสังคมมนุษย์ครับในประวัติศาสตร์มนุษยชาติไม่เคยมีช่วงไหนที่ไม่มีทาตบนโลกใบนี้อัลฮามดีละ่ะเมืองไทยเราเราไม่มีทาตุชัดๆแบบนั้นและมีทาตในรูปแบบที่มันแอบแฝงเข้ามาแต่ทาตชัดๆไม่มีแต่ว่าในบางพื้นที่ของโลกทางแอฟริกาบางที่ยังมีเรื่องของระบบทาตอยู่ ยังมีเรื่องของระบบทาสอยู่ซึ่งอิสลามได้ห้ามการซื้อขายทาสไปเรียบร้อยแล้วแต่โอกาสที่จะมีทาสจะมีโอกาสได้อยู่ไหมมีครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่พี่น้องสังเกตดูเมื่อไหรก็ตามที่เกิดสงครามเฉลยนี่แหละครับจะถูกจับไปยิ่งกว่าทาสสิที่เขาเรียกเฉลยศึกเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามคําว่าทาสเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ว่ายังคงอยู่ตลอดไปหมายความว่าท้าเมื่อไร่ก็ตามที่พี่น้องมีโอกาสไปเจอใครที่ถูกจับให้เป็นทาส ที่เขาถูกอาธรรมที่เขาถูกซ้อนเหลีม่มถ้าพี่น้องสามารถช่วยเหลือให้เขาเป็นอิสระได้ด้วย ก, การซื้อไถ่ถอนเขาให้ความช่วยเหลือเขาปลอบใจเขาก็จงทำาจิกครับเพราะถือว่าเป็นฟักกู่รอกกอบะที่พงลสุภานหัวตะลาบอว่านี่คือการปีนฉงวนผาที่สูงฉันเป็นความดีที่ได้ผลบุญมหาศาลการทาให้คนคนหนึ่ง น, นั้นกลับมามีเกียรติการทำให้คนคนหนึ่ง น, นั้นกลับมามีหน้ามีตา อยู่ในสังคมได้อย่างทัดเทียมกับผู้อื่นมันเป็นเรื่องใหญ่นะพี่น้องเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องสำคัญ น, นะครับเน้นฟักกุรกะบาความหมายแรกที่ว่าปล่อยให้รอดพ้นก็คือปล่อยให้รอดพ้นจากการเป็นทาสปล่อยให้รอดพ้นจากการเป็นทาสอันที่2ครับปล่อยให้รอดพ้นจากความตายโปรดปล่อยให้รอดพ้นจากความตายเรียกว่าฟักรุรกระบ า, าได้เช่นเดียวกันหมายความว่าไงครับสมมุติว่ามีการฆาตกรมีการฆาตกรรมเกิดขึ้น คนในครอบครัวของเราเนี่ยถูกสังหารด้วยความสังหารที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจด้วยกับความผิดพลาด ค, คือฆาตกรไม่ใช่คนที่เราดูแล้วเราดูแล้วอะ่ะเรามั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนที่เวลวร้ายในในสันดานไม่ใช่แบบนั้นอาจจะเกิดการผิดพลาดหรือเกิดอะไรสักอย่างในกรณีนี้ครับถ้าเกิดว่ามีการจะตัดสินประหารชีวิตแล้วญาติที่เหลืออยู่เนะี่ยไปบอกกับคนตัดสินบอกว่าไม่เป็นไรนะฉัน ยกโทษให้เขาฉันให้อภัยเขาอันนี้เรียกว่าเป็นการปลดปล่อยให้รอดพ้นจากความตายเพราะชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลครับพี่น้องชีวิตนั้นมีคุณค่ามีมูลค่ามหาศาลเพราะอะไรครับเพราะชีวิตคือโอกาสที่จะทำให้เรา้เป็นที่รักของันเราเ เพราะชีวิตคือสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นโอกาสที่จะทําให้เรานั้นสามารถทําตัวให้รอดพ้นจากความกดดันของพระองค์เพราะฉะนั้นอายุไขเป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับมนุษย์ทุกคนการตัดสินผ่านชีวิตใครนะั่นหมายถึงว่าการตัดโอกาสของเขาออกไปแล้วคือเขาไม่มีโอกาสแล้วจะตบะก็ไม่ได้จะขอไปโทษก็ไม่ได้จะละหมาดก็ไม่ได้จะทําอะไรไม่เหลือโอกาสอะไรแล้วสําหรับเขาแน่นองเคสที่สมควรต้องผ่านชีวิตก็ต้องผ่านชีวิตไป แต่บางเคสที่ว่ามันเป็นเรื่องของความผิดภาพเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดแล้วก็ครอบครัวเนี่ยถือว่าขอมอบหมายจนต่อรอถือว่ายกเทษให้ ก, กับเขาเพื่อที่เอาล้อจะยกโทษให้ ก, กับเราเหมือนกับคําพูดที่บอกไว้ครับมันอ่ะตะกอ็อุติกรใครก็ตามที่โปลดปล่อยเขาก็จะได้รับการปลดปล่อยใครก็ตามโปลดปล่อยผู้อื่นเขาก็จะได้รับการปลดปล่อย เหมือนกับว่าเมื่อเราปลดปล่อยคนที่ว่าเขาทําผิดแต่ว่าเขาสำนึกผิดแล้วแล้วเราก็บอกว่าโอเคฉันให้อภัยในเรื่องนี้ในเรื่องที่ว่าอิสลามบอกว่าสามารถให้อภัยได้โอเคฉันให้อภัยในที่นี้ครับคนที่ให้อภัยเขาจะได้ผลบุญมากยิ่งกว่าการที่เขาจะเรียกร้องสิทธิของเขาอันนี้ครับจะเปิดประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งครับพี่น้องอย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าหนึ่งในบาปที่หนักหนาที่สุดที่น่ากลัวที่สุดคือการอาธรรมผู้อื่น การที่เราไปเจริญผู้อื่นการที่เราไปอาทําผู้อื่นเพราะการที่เราไปร่วมเกินผู้อื่นเนี่ยพี่น้องผัวล้อสุบฮานหัวตลาถือว่าเป็นเรื่องระหว่างคนกับคนด้วยกันผัวล้อจะไม่ยกโทษให้จนกว่าเจ้าทุกจะยกโทษให้ซะกอ่อนหมายความว่าถ้าเกิดสมมติพี่น้องเป็นเจ้าทุกนะมีคนมาร่วมเกินพี่น้องมีคนมาด่า ว, ว่าพี่น้องพี่น้องอาจจะเป็นพ่อแม่แล้วมีลูกก็คือ อ, อาการจนยูหรือพี่น้องอาจจะเป็นสามีภรรยาที่อีกฝ่ายไม่เคยเห็นบุญคุณของพี่น้องเลยแล้วก็อาทําพี่น้องตลอดเวลา หรือใจในสภาพไหนก็ตามจะเป็นลูกที่ถูกพ่อแม่อธรรมจะเป็นเพื่อนบ้านที่ถูกเพื่อนบ้านอาธรรมบางคนอาจจะบอกว่าฉันเจ็บใจเละอเกินเจ็บอืดหมื่นแสนจะแคลนคลายจเจ็บจนตายเขาพ่อหนิบให้เจ็บใจด่าว่าฉันมันทำร้ายฉันมันอะไรสารพัดเนี่ยฉันเจ็บใจเนี่ยเอาล้อโลกหน้าลงโทษมันหนักๆเลยเอาล้อจัดการมันเลยเป็นสิทธิ์ของพี่น้องที่จะขออย่างนี้ได้ พอพลอสุบฮานหัวตาได้บอกว่าไม่มีอะไรขวางกั้นระหว่างดูอาการขอของคนที่ถูกอาธรรมกับพลอสุบฮานหัวตาละคือคนที่ถูกซาเลมอ่ะท่ายกมือขอดูอาอัลลอฮ์รับครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ถูกซาเลมพี่น้องมีทางเลือกทางที่หนจะเอาในสิทธิ์ที่เราถูกเขาเร่วงเกินไปในดินยาไม่ได้ก็ขอโลกหน้าถือว่าเป็นสิทธิ์ครับไม่มีใครไปว่าพี่น้องได้ไม่มีสิทธิ์ที่ใครจะว่าพี่น้องได้ หรือพี่น้องจะเลือกทางที่สองถ้ามันเป็นเรื่องที่พี่น้องสามารถให้อภัยเขาได้ยกโทษให้กับเขาได้แล้วพี่น้องให้อภัยเขาสิ่งที่พ่อัลลอสุบฮานะฮุวตาจะชดเให้กับพี่น้องนั้นมันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งที่พี่น้องจะไปเรียกร้องเอาถ้าเกิดพี่น้องบอกว่าฉันจะเอาจากมันคือถ้าเกิดพี่น้องยืนการว่าจะเอาสิทธิ์ของพี่น้องอีกฝ่ายนี้ต้องได้รับบาป ส่วนพี่น้องก็จะได้ลดบาปไปแต่ถ้าเกิดพี่น้องบอกว่าฉันให้อภัยอีกฝ่ายนึงถูกให้อภัยแล้วพี่น้องจะถูกยกระดับให้สูงขึ้นไปอีกมีทางเลือกสองทางทางเลือกเป็นของพวกเราทุกคนในที่นี้ถ้ามองมุมกลับถ้ามองมุมกลับแหละ ถ้าเราเป็นคนไปซาเลมเขาแหะเราเป็นคนแปลถามเขาเราเป็นคนไปนินทาเขาเราเป็นคนไปว่าเราให้เขาเราไปพูดเรื่องไม่ดีของเขาโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจริงหรือมันไม่จริงแต่มันพูดสนุปปกปากแล้วมันก็พูดไปแล้วแล้วมันก็กระจายไปสุดขอบฟ้าแล้วคนเขาพูดกันหมดแล้วหลายครั้งครับที่มีพี่น้องมาถามผมบอกว่าอาจารย์เนี่ยทำไงดีเนี่ยฉันไปซาเลมเขาฉันไปขอมาอัพเขาแล้วเขาไม่ยกให้เนี่ยฉันทำยังไงดี พี่น้องครับมาถามผมผมก็ช่วยอะไรพี่น้องไม่ได้เพราะฮักกุลอาดำสิกระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ถ้าเจ้าทุกข์ไม่ยกให้ไม่มีใครช่วยพี่น้องได้นอกจากพี่น้องต้องเตรียมทำผลบุญเยอะๆแล้วโลกนี่เอาไปยกให้เขาทำได้แค่นั้นแหละพี่น้องไม่งั้นก็รอเอาบาปของเขามาใส่เราแล้วเราก็ลงนรกไปซึ่งกนอุสบิลัยน์ไมได้เลเพรา ะ, ะ น, นพี่น้อง บาปแต่และอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันถ้าบาปที่วันระหว่างพี่น้องกับพระลอสสุบฮานหัวตาลาเนี่ยมันเคลียร์ง่ายหน่อยถ้าถึงเวลาพี่น้องเต่าบาพี่น้องสำนึกผิดอย่างแท้จริงพี่น้องยกมือขอไปโทษต่อพระลอสสุบฮานหัวตาลาบอกอัลลอฮฺฉันผิดไปแล้วฉันจะไม่กลับไปทํามันอีกยกโทษให้ฉันด้วยอัลละฮฺยกโทษให้ทันทีไม่มีอะไรมากันแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่พี่น้องไปอาธรรมคนอื่น พี่น้องตบตีลูกหลานเกินความจำเป็นพี่น้องตบตีภรรยาเกินความจาเป็นหรือพี่น้องทำร้ายผู้อื่นทั้งๆ ท, ที่มันไม่ใช่สิทธิพี่น้องจะทำได้เขาอาจทาพี่น้องมาหนึ่งพี่น้องอาจทำเขาไปสิบอย่างถ้าเป็นกรณีนี้ถ้าเราเป็นผู้ที่อาธรรมพี่น้องอินนาริลาฮิวอินนาอิเลฮิร้อยชิน้นพี่น้องทำได้แค่สองอย่างไปตื้อเจ้าทุก ไปขอโทษเขาไปทํำยังไงก็ได้ให้เขายกโทษให้พี่น้องพี่น้องทําได้แค่นั้นคือทางเลือกที่หนึ่งที่ปลอดภัยที่สุดถ้าเจ้าทุบยกให้อัลฮัมดุลิลละแล้วอย่าไปใช้เล่กล น, นะบางคนใช้เล่เพทุบายหรือว่ามีเรื่องที่เขาโกรแต่เขาไม่รู้ไปซาลิมเขาไว้แต่เขาไม่รู้ถึงเวลาวันอีดปุ๊บปุบบกว้างๆนี่ที่ผ่านมาไม่ะไรขอมาทั้งหมดเลยนะไม่ว่ากันนะโดยเรารู้ว่าถ้าหยิบยกเรื่องนี้มาพูดเขาไม่มีทางยกโทษให้ อันนี้เข้าขายกันใช้เลขเพจูบายแต่ถ้าเกิดเรามั่นใจว่าถ้าเขารู้ต่อให้เขารู้แล้วเราขอเขาก็ยกให้อยู่แล้วอันนี้ถ้าเราจะพูดบลูมบล้วเขาบอกฉันยกให้ทั้งหมดอันนี้ถ้าไม่มีการหลอกลวงอันนี้ไม่เป็นไรเพราะฉะั้นทางเลือกแรกสําหรับคนที่จะไปทำไปอาธรรมผู้อื่นต้องขอให้เขายกโทษให้ได้คืนสิทธิ์ให้กับเขาขอให้เขายกโทษให้ได้ถ้าไม่ได้ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้ว เตรียมทำความดีเยอะๆเลยไปยกให้เขาโลกหน้ามีทางเลือกแค่สองคำถามว่ารออาลัมครับว่ารอฮุอาลัมทีนี้ครับบางท่านอาจจะถามครับบอกว่าจแล้วอย่างในกรณีของการฆาตกรรมยนีไงอย่างในกรณีของการฆาตกรรมฆาตกรเนี่ยไปสังหารคนคนหนึ่งไปฆ่าคนคนหนึ่งแล้วเครือญาติให้อภัย เราจะรู้ได้ยังไงว่าคนตายให้อภัยด้วยมีใครสงสัยแบบนี้ไหมครับคือโอเคฆาตกรเนี่ยญาติให้อภัยละแล้วคนที่ถูกฆ่าล่ะคนที่ถูกสังหารอย่างอาธรรมล่ะเราไม่สามารถไปถามเขาได้ว่าคุณยกโทษให้ฉันไหมถูกไหมครับคุณยกโทษให้เขาไหมจะเข้าข่ายได้รับการให้อภัยด้วยหรือเปล่าในที่นี้ครับมีคําตอบครับผมหน สุร ah ัตน at oh ์ฟุรก่อนอายะที่หกสิบแปดถึงอายะที่เจ็ดสิบพระเจ้าสุบฮานหัวตราได้กล่าวไว้คุ <تصفيق> وعلى... وَلَا ي َ ق ْ ت ُ ل ُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا ِ بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ي َ ل ْ ق َ أ َ ذ َ ا م ً ا ي ُ ض َ ا ع َ ف ْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَقْلُبْ فِيهِ م ُ ه َ ا ن ً ا إ ِ ل َّ ا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَةً وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحَةً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سِيَأَتِهِمْ حَسَن แต่เป็นทางออกที่อยากให้เลือกเป็นทางสุดท้ายจริงๆอัลลอฮสุบฮาหนุอฮูวตาที่กล่าวถึงคุณรักสระบ่าวของผู้ที่อัลลอฮฺรักไว้ว่าไงครับแล้วบรรดาผู้ที่เขาไม่วิงวอนขอต่อผู้อื่นผู้ใดนอกเหนือจากอัลลอ์เท่านั้นเชื่อมันว่าลลเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นแล้วเขาก็ไม่ไปฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่อัลลอ์บอกว่ามันสังหามไม่สังหารผู้คนไม่สังหารผู้บริสุทธ ว่าเลี้ยสนูแล้วเขาก็ไม่ได้ไปทําซีนาไปผิดลูกผิดเมียใครเรื่องประเด็นซินานี่ประเด็นยาวมากๆครับพี่น้องเราอาจจะคิดมันเป็นเรื่องไกลตัวแต่มันใกล้ตัวมากๆหลายคู่ขอมาฟครับถ้าผมจะพูดตรงๆหลายคู่ที่แต่งงานแล้วทําซีนามีเยอะครับพี่น้องผมไม่อยากพูดประโยคนี้แต่นี่คือความจริงครับความจริงที่ว่าอยู่ใต้ผมที่ว่าเราอาจจะไม่รู้กัน ผู้รองที่นอกใจโดยเฉพาะผู้ชายที่น่ารังเกียจทั้งหลายที่ชอบใช้ข้ออ้างว่ามีเมียได้มากกว่าหนึ่งคนแล้วเอาข้ออ้างนี้ไปทำซีนาเอาข้ออ้างเอาข้อผ่านๆของอิสลามไปทําซีนาคือไม่ได้แต่งงานไม่ได้เป็นผู้ชอบไม่ได้ทำอะไรที่ถูกต้องเอาศาสนาขอราไปหากินนี่ถือว่าเลวร้ายที่สุดครับพี่น้องฮุกกมคือเขาต้องถูกประหารชีวิตถ้าเป็นกฎหมายอิสลาม เพาคนแต่งงานแล้วทําซินาต้องถูกปานชีวิตไม่ต้องมาอ้างว่าฉันมีสิทธิ์มีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งถ้ามีสิทธิ์มีภรรยามากกว่าหนึ่งทำไมไม่ทําตามรูปแบบอิสลามทําไมไม่มีความนิติธรรมก็ขอมาสครับประเด็นนี้มีเรื่องจริงที่มาปรึกษาจนผมดาวไปช่วงหนึ่งนะครับพี่น้องรู้สึกแย่ไปช่วงหนึ่งที่ว่าอาจจะหายไปจากบทความไปช่วงหนึ่งก็เจอคําถามพวกนี้เยอะระดับหนึ่งอรัพี่น้องโอเคครับเพราะว่าเก่าไงครับ ใครก็ตามที่ทำสิ่ง ต, ต่างๆที่ว่ามาเนี่ยเรียกร้องสิ่งอื่นนอกจา ก, กาหาัวลัทธิบาฮาเนวตาลาสังหารชีวิตโดยที่ไม่มีสิทธิ์อันชอบธรรมแล้วก็ทำดีน่หัวเราะบอกใครก็ตามที่ทำสิ่งเหล่านี้เขาจะต้องได้รับการลงโทษที่เจ็บแสบต้องแบกรับบาปอันใหญ่ยิ่งเยลกอาอาซ่มอยูดาอัฟและฮุลอาบบาปอันยิ่งใหญ่นี้ซึ่งมันจะไปเพิ่มภูนการลงโทษให้หนักขึ้นในวันเกียรนะ์แม โดนโทษแล้วลอจะเพิ่มไม่หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วต้องอยู่ในนั้นตลอดไปในสภาพของคนที่ต่ำต้อยพกเราพูดถึงสามปุ่มนะทำชิดิกนะไปอาธรรมไปฆ่าผู้อื่นนะแล้วก็ทำสินะพอเราบอกสามอย่างเนี่ยอิลามันตาบะวะอาเมเนะวะอามีลอามาลันซอลิฮันนอกจากคนที่กลับเนื้อกลับตัวทำชีิกตาบาตอ๋อเหรล้วก็ชินิก การทําชีกถ้าต่บาอบาอัลรับครับผมพี่น้องบ่ถ้ายากจะบอกว่าไหนอายักุราที่ผูรอดบอกอินนอลฮะลายักฟื้นอายุชะลักบีลาจันที่บอกว่าเรอดจะไม่ไปโทษให้กับใครก็ตามที่ตั้งภาคีแต่บาปอื่นอัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดอายักุรานั้นหมายถึงการให้ยกโทษในกรณีที่เจ้าตัวไม่ได้ขอคือเจ้าเจ้าตัวไม่ได้ขอบาปอะไรก็ตามเถ้าเรารอดต้องกอารเราจะยกโทษให้ได้หมด ทำความดีลบล้างความชั่วได้ยกเว้นชีริกต้องเตาบาถ้าเตาบะอลหรับเตาบาคือการละทิ้งสิ่งที่เราทําสํานึกผิดแล้วก็ทําสิ่งที่ถูกต้องเพราะนั้นการเตาบาลบล้างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างครับพี่น้องเพราะเราบอกนอกจากคนที่เตาบานะกับเนื้อกับตัวนะแล้วก็เป็นผู้ที่ศรัทธานะแล้วก็ปฏิบัติการงานที่ดีงามพวกเขาเหล่านี้อลลัสรจะเปลี่ยนความชั่วให้กลายเป็นความดีแล้วอลลัสรเป็นผู้ให้อภัยผู้ทรงเมตตา หมายความว่าอย่างในเคสกรณีนี้ครับผมที่ผมบอกว่าเป็นกรณีที่สที่เป็นไปได้แต่ผมไม่อยากให้เรามาเลือกทางนี้เป็นทางเลือกแรกๆในกรณีของคนที่ทําผิดล่วงเกินคนอื่นต่อให้สังหารผู้อื่นแล้วเรารู้สึกผิดจริงๆล้วสานึกผิดอย่างแท้จริง เราเตาบ้าแบบหัวใจเรากลับมาบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแล้วเราศรัทธาต่อร้อนอย่างเต็มเปี่ยมในหัวใจแล้วเราก็ศรัทธาต่อพระองค์แล้วเราก็ปฏิบัติกายงานที่ดีตลอดชีวิตจนเราตายคนเหล่านั้นครับความชั่วที่เขาทาําอัลลอฮ์จะเปลี่ยนไปความดีเขาไปอาทำรรแก่ใครก็ตามอัลลอฮ์จะชดเชยแทนให้เหมือนกับพระองค์รัสุปฮาณ ห, หัวเออตาลาจะออกหน้าแทนเขาให้เพราะถือวเป็นคนที่อลัลลอฮ์รักเป็นพิเศษแล้ว เพราะนั้นรูปแบบมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเมื่อถึงเวลาโลกหน้าพวกว่าก็จะเอาคนที่ถูกฆ่ามาแล้วก็จะชดเชยให้กับเขาด้วยกับการตอบแทนที่มหาศาลให้กับคนนั้นให้เขาได้รับไปออกหน้าแทนคนที่เคยเป็นฆาตากรพี่น้องจําเรื่องราวคนที่ฆ่าคนฆ่คนได้ไหมครับเมื่อเขาเอาทําถูกไหมแต่เมื่อเขากลับเนื้อกับตัวอย่างแท้จริงที่เรียกว่าตัวบตัตานซูฮา เป็นการกลับเมื้อกับตัวที่ไม่มีความตลบตะแลงไม่มีความหลอกลวงใดๆอยู่ในนั้นพัวล้อออกรับแทนเขาให้เพราะฉะนั้นครับสำหรับคนที่อาจทรรมผู้อื่นจริงๆแล้วผมก็ยังยืนการว่าให้เราทำข้อแรกให้ได้ก่อนไปขอโทษเขา ไปขอให้เขายกโทษให้ไปคืนสิทธิ์ให้กับเขาไปทำอะไรก็ได้เท่าที่เราจะทำได้เพราะนั่นแสดงถึงความจริงใจแต่ถ้าในเคสที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเฉพาะในเคสที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วที่เราจะไปคืนสิทธิ์ให้กับเขาที่เราจะไปขอให้เขายกโทษให้ เขาอาจจะตายไปแล้วหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าในเคสที่เป็นไปไม่ได้แล้วให้พี่น้องเตาบ้ากับเนื้อกับตัวอย่างแท้จริงทําความดีให้มากๆขอให้เอาล้อรักถ้าถึงขั้นที่เอาล้อรักพี่น้องอย่างแท้จริงพี่น้องก็จะรอดได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นอีกทางรอดหนึ่งที่ว่าขอฝากพี่น้องเอาไว้ขอมัสนะครับวันนี้ผมยังไม่ได้ทักใายพี่น้องสักคนหนึนะครับเมื่เห็นสลามแล้วแล้วก็เ อ, อไม่ได้ทักใายใครเลยนะครับ คุณลุงอรุณนะครับสละมานะครับบรสละมอบตัวบอกรกาตัวทำบบารกลอฟิกุมครับผมได้บอกว่ากดไลค์กดแชร์กดโพสให้แล้วขอบคุณมากมากครับผมเสียงชัดเจนนะครับจากยะลาใช่ไครับผมผมจาผิดจาถูกหรือจผิดโอเคบอกเสีงชัดเจนมาชาล้อแล้วแกันครับผมคุณคณิยะครับบอกกำลังรับชมจะสักกิแล้วขนาดคุณมงเปียสตะกูลนะครับให้กำลังใจมาแล้วก็เออ นิืบดทดสอบนะครับสละมาก็วาีคุมสลามาตรอ บ, บรา ก, กาตุก็บอก่ขอให้ทุกท่านห่างไกลจากโควิดด้เถิดอามนอามนอามนครับแล้วก็ขอให้พวกเรารอดพ้นจากฟุตนาหรือว่าสิ่งไม่ดีไม่งามที่ทาให้เรา น, นตกต่าด้วยนะครับผมอามนครับผมขอบคุณสาหรับดุอาดีๆที่มีให้ครับผมทีนี้นะครับไอ้ดินยานะครับผม คือคุกสำหรับผู้ศรัทธานะครับผมชื่อนี้ต้องอ่านบ่อยๆนะจะได้เป็นการเตือนตัวเองและเตือนพี่น้องนะลุญยาคือคุกสำหรับผู้ศรัทธาครับอ้เขาสลามมานะครับก็วายคุณสลามอัลตลอฮฺบอบารากาตูพี่วันนี้ครับบอกอาธรรมในรักมันเพียบชัดเจนอัธรรมใละักครับผมคุณจำนัดนะครับสลามมาก็วายคุณสลามวารหัมตุลลอฮฺว่าบารากาตูก็ขอบคุณพี่น้องที่รักทุกท่านอีกครั้งครับเจซากุมุลลอฮฺฮุยรันครับผมบคุณรบีอ้นะครับ บ่าอามีนครับอามีน بارك الله فيكم อามีนครับผมคุณอนนัลสลามกับสละม่าก็ و ا ل ق ن ม السلام ورحمة الله وبركاته ครับเรากลับมาคุยกันต่อครับเฉพาะคาว่าฟักูรกกะ บ, บายอย่างที่เราบอกก็คือความหมายมากมายเหลือเกินพี่น้องเมื่อวานเราย้ําใช่ไหมครับเราพูดใช่ไหมครับว่ามุสลิมเราคือคนที่เรา ต, ตั้งใจให้มุ่งมั่นแนว่วแน่แล้วเราต้องประกาศกับตัวเองว่าเราจะขอเลือกชีวิตที่ลำบากเพื่อให้อลลอฮ์พอใจ ผลทางแรกก็คือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นการให้อภัยต่อผู้อื่นเวลาที่เขาอาจทำเราแล้วเราสามารถให้อภัยเขาได้ถ้าเขาเป็นคนที่ผู้ควรจะรับการให้อภัยให้อภัยเขาไปเถิดพี่น้องพี่น้องไม่มีวันที่จะเสียใจแน่นอนเพราะนั้นเราพูดถึง2 อ, อย่างแล้วนะครับพูดถึง2 อ, อย่างแล้วว่าการทําให้คนรอดพ้นเนี่ยอันแรกก็คือรอดพ้นจากการที่เขาเป็นชาติ ปัจจุบันอาจจะหายากแน่นะพ้นไม่แน่พี่น้องอาจจะมีโอกาสเจอว่าวเราอาลัมอันนี้2ก็คือรอดพ้นจากการจะถูกตัดสินประหารชีวิตถ้าเกิดว่าเราเป็นญาติแล้วเราสามารถให้อภัยเขาได้แล้วเป็นเคสที่เขาควรจะให้อภัยอย่างที่เห็ดพี่น้องคิดได้นะครับช่วงประมาณสามปีที่แล้วโดยประมาณนะครับที่ว่ามีเคสที่ว่าครอบครัวมุสลิมเรามุสลิมท่านนึงถูกสังหารที่อเมริกาแล้วก็คุณพ่อของเขาได้ให้อภัยกับฆาตกร ซึ่งก็มาชาวละครับเป็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของคนเป็นพ่อแล้วก็คนของคนเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วก็ถือว่าเป็นการดาวะที่ยิ่งใหญ่ด้วยเพราะว่าก็ทําให้กระแสะเกียร์ชังอิสลามค่อนข้างจะเบาบางไปในระดับนึงเลยทีเดียวก็ขอตอบแทนขอพู้รอดตับแทนท่านทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ขอเชิดเชยสิ่งที่สูญเสียไปครับผมต่อไปครับอันที่สมครับการช่วยปลดปล่อย ฟกร ก, ร ก, ร ก, กบมีหนึ่งความหมายก็คือการที่เราช่วยปลดปล่อยมุสลิมที่กําลังลําบากเดือดร้อนให้รอดพ้นจากครอบครัวที่อาธรรมเขาหลายครั้งหลายเคสที่เราจะพบว่าบางทีบางครอบครัวเนี่ยมีสมาชิกในครอบครัวเลือกจะมาเข้ารับอิสลามแล้วก็ถูกทําร้ายโดยคนในครอบครัวของตนเอง อันนี้เป็นเรื่องหนักนะพี่น้องใครไม่เจอกับตัวไม่มีทางรู้คือคนในครอบครัวเราหนีไปไหนไม่ได้ไงถึงรักลับบ้านต้องเจอถูกทําำลายด้วยกับคําพูดถูกทําำลายด้วยกับการกระทําถูกทําร้ายด้วยกับสารพัดที่จะทําได้ด้วยกับการกลั่นแกล้งด้วยกับอะไรก็ตามแต่ถ้าพี่น้องเจอพี่น้องมุสลิมที่กําลังลําบากอย่างเนี้ยพยายามให้ความช่วยเหลือเขาอย่างน้อยที่สุดพยายามให้กําลังใจเขาบททดสอบหนักครับซึ่งพี่น้องที่รักครับอย่างน้อยที่ผมเคยเจอมาไม่ต่ํากว่า 2ถึงสเคสเนี่ยนะพี่น้องที่คิดออกตอนเนี่ยที่เจอสมาชิกในครอบครัวอาจจะเป็นครอบครัวของตนเองหรือครอบครัวของคู่ครองของตนเพราะมันก็กลายเป็นเหมือนกับครอบครัวตัวเองไปแล้วโดนกันแก้งโดนด่าว่าโดนรังเกียจอะไรสารพัดพี่น้องที่รักสุภาณล้อผมได้เรียนรู้จากครอบครัวเหล่านี้หลายเรื่องหนึ่งในสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือเป็นการตอกย้าการ ทำตามท่านอาบดุลมฮัมมัดสุลสล็อห์ของอิสลามว่านั่นแหละเป็นรูปแบบการเผชิญหน้ากับปัญหาที่ดีที่สุดตอบโต้สิ่งที่ชั่วร้ายด้วยกับสิ่งที่ดีที่สุดท่านท่านหนึ่งครับอยู่ในครอบครัวที่หลังเกียตดอิสลามสุดๆเมื่อคขารับอิสลามถูกอันตี้สุดๆแต่เขาก็เลือกรับมือด้วย ก, กับการทําตัวเป็นมุสลิมให้ดูพี่น้องขอแค่ทําตัวเป็นมุสลิมให้ดูก็พอละ ไม่ใช่ใครเริงระหมาดแค่ใจา่ายสกัดแต่ว่าเป็นุมคนที่มีมารยาทที่ดีเป็นคนที่กิดตันยูรู้คุณคนเป็นคนที่ว่ามีนิสัยที่ดีมีการอุอร้มฟื้นเผื่อแผ่มีการให้อภัยมีการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเอาแค่นี้พี่น้องผมดูครับหลายๆท่านทําแบบนี้ปุ๊บครอบครัวจะเริ่มโอนอ่อนลงอาจจะไม่หายไปร้อยเอร์เซ็นแต่มันจะเบาลงอีกเคสหึ่งเพื่อนบ้านเกียดสุดเกลียรดพ่อรู้ว่าเป็นมุสลิมคือเกลียดสุด แต่เขาก็พยายามทําตามที่ท่านมูฮัมห ม, มัดสโรซามทำเป็นแบบอย่างทําตามคําสอนของอิสลามผลสุดท้ายเพื่อนรักก็รักเลยแล้วก็ถือว่าเป็นคนสนิทกันเลยบางคนก็โดนครอบครัวของคู่ครองคู่ครองอยากจะมาครับอิสลามครอบครัวก็อันตี้รังเกียจแต่ก็พยายามใช้ความอดทนแล้วก็ทําตามคําสอนของอิสลามมันจะดีขึ้นครับแต่ แล้วต้องเอาความจริงมาพูดมันก็ใช้ไม่ได้กับทุกเคสหลายเคสใช้ได้ผลแต่บางเคสอาจจะใช้ไม่ได้ผลแต่ขอให้พี่น้องรู้ไว้ว่าขอให้เราอดทนเอาล้อตับแทนแน่นอนเอาล้อตับแทนแน่นอนครับเพราะนั้นฟักกุรกะบาในที่นี้ก็คือการให้ความช่วยเหลือมุสลิมที่กำลังเดือดร้อนที่อยู่กับครอบครัวของเขาช่วยให้เขารอดพ้นจากความเดือดร้อนนั้นช่วยในรูปแบบไหนก็ตาม ไปให้กำลังใจไปพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือไปให้ความช่วยเหลือรูปแบบใดก็ตามเท่าที่พี่น้องจะสามารถกระทำได้นั่นก็ถือว่าเป็นการปดความลำบากความเดือดร้อนให้รอดพ้นไปจากพี่น้องของเราเข้าขา่ฟักกุรกกระบะเช่นเดียวกันต่อไปครับฟักกูรกกระบอีกหนึ่งความหมายการทำให้รอดคือการที่ทาให้คนคนหนึ่ง รู้จากอิสลามให้อัลละฮ์เปิดใจเขาแล้วให้เขาเป็นมุสลิมนั่นก็เป็นความหมายที่ว่าฟ ok ah ักกุร์รอกกาบาแล้วก็เป็นฟักกุร์รอกกบาที่ยิ่งใหญ่ด้วยทาให้เขารอดพ้นที่ยิ่งใหญ่เพราะสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คนเรารอดพ้นอย่างแท้จริงคือการยอมรับอิสลาม Islam, ahu, อินนีในอินดลลอฮิสุล์อัลลอฮ์ผู้ล่สุปฮาเนห์อัลตาราได้กล่าวเา ว, ว่าศาสนาสําหรับผู้อัลลอฮ์ที่พรลลอฮ์จะรับนั้นมีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นคืออิสลามในดุนยาครับพวกเราหลายๆท่านอาจจะเห็นด้วยอาจจะพูดกันว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีในดุนยาสอนให้มีศีลธรรมในดุนยาสอนให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนั้นก็เป็นด้านที่งดงาม แต่ถ้าสําหรับพวงลอสุภานุวาตาแล้วในโลกหน้าในโลกที่แท้จริงในความเป็นจริงที่พ่อบอกอะไร ก, ก็เกิดขึ้นแน่นอนเงื่อนไขของความดีที่พวงล้อจะเรียกว่าเป็นความดีต้องอยู่บนพื้นฐานของศา ส, สนาอิสลามเท่านั้นเวลรผมพูดอย่างเงี้ยก็จะมีพี่น้องหลายๆท่าน มักจะบอกว่าอ้าวทำไมอิสลามเห็นแก่ตัวอย่างนี้ล่ะบอกว่าคนศาสนาอื่นไม่ดีเหรอไม่รอดเหรอพี่น้องครับเอาความจริงมาพูดทุกความเชื่อบนโลกใบนี้ครับพี่น้องไม่ใช่แค่อิสลามพี่น้องอย่ามาแอนตี้อิสลามทุกความเชื่อบนโลกใบนี้พี่น้องไปดูหนทางที่จะอยู่รอดต้องใช้ความเชื่อเขาเท่านั้นอย่างพี่น้องไปรู้ศาสนาพุทธเราอยู่เมืองไทยศา ส, สนาประจำชาติคือศาสนาพุทธ คำสอนศาสนาพุทธก็ชัดเจนหนทางที่จะหลุดพ้นได้ก็ต้องใช้แนวทางของผู้เจ้าเท่านั้นถูกไหมครับก็แปลว่าคุณจะเป็นคริสตจะเป็นอิสลามมันไม่ใช่แนวะทางผู้เจ้าคุณไม่มีทางรอดตามความเชื่อของศาสนาพุทธพอไปศาสนาคริสก็เหมือนกันศา ส, สนาคริสตบอกว่าคุณจะไม่มีทางรอดจนกว่าคุณจะเปิดใจยอมรับพระบุตรก่อนเปิดใจยอมรับพระเจ้าก่อนก็แปลว่าเขาบอกว่าใครก็ตามทําดีในโลกนี้ก็เป็นคนดีในโลกนี้นั่นแหละ แต่ถ้าจะรอดผลนอย่างแท้จริงในทุกๆคําสอนต้องทําตามคําสอนนั้นๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมคงจะไม่เจออีกนะครับที่มาบอกว่าทําอิสลามเห็นแค่ตัวทํำไมบอกว่าต้องไปอิสเท่านั้นถึงจะรอดเลยมันไม่ใช่พี่น้องมันทุกความเชื่อะที่สอนแบบเนี้ยไม่งั้นจะมีความเชื่อนั้นทําไมถ้าเกิดทุกอย่างรอดพรหนดก็ไม่ต้องมีความเชื่อนั้นแล้วที่มีความเชื่อนั้นๆเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าอะไรคือหนทางที่ถูกต้องที่สุดดีที่สุด เพราะนั้นบอกว่าจะเคลียนะครับบอกว่าจะเคลียเพราะฉะนั้นนี่แหละสำหรับอิสลามพวกเราบอกชัดเจนว่าศาสนาที่เรารับมีเพียงอิสลามเท่านั้นถ้าศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในวันสิ้นโลกทางรอดของคุณมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคืออัลอิสลามเพราะนั้นการทําให้คุณรู้จักอิสลามพี่น้องการดาวาเนี่ยคนทุกคนทําได้ตามบริบทของเราผมต้องพูดให้เคลียนะ บางทีเรามีความเข้าใจผิดว่าคนทุกคนต้องได้ว่าในเชิงลุกต้องไปพูดต้องไปถกต้องไปเถียงไม่ใช่ครับพี่น้องมันเหมือนกับเราจะบอกว่าคนทุกคนจําเป็นต้องผ่าหัวใจคนได้อย่างเงี้ยถามว่ามันได้หรือเปล่าเราไม่ได้จะผ่าหัวใจก็ต้องให้หมอศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเอาชาวบ้านเอาพ่อค้าบางคนไอ้ฉันขายฉันอยู่เขียงเนื้อมาผ่าตัดหัวใจทำไมจะไม่ได้แล้วมาผ่าตายพี่น้องทุกอย่างมีที่ของมัน ถ้าจะพูดจะถกจะคุยเรื่องศาสนาต้องเป็นคนเข้าใจศาสนาก่อนไม่งั้นผลเสียจะมากกว่าผลดีซึ่งเราเห็นได้มากในปัจจุบันแต่การดาว่ามันมีหลายรูปแบบการดาว่ามันมีหลายรูปแบบแค่พี่น้องทําตัวให้เป็นมุสลิมที่แท้จริงมันก็เป็นการดวาวะแล้วถึงเวลาทําธุรกิจถึงเวลาทำการซื้อขายสมมุติพ่อค้าทอนเงินเกินมาแม่ค้าทอนเงินเกินมาขอโทษนี่เงินเกินเอาคืนไปฉันรับไม่ได้นะ นี่ก็คือการดาว่าหรือพี่น้องขายของขายส้มอะชั่างกิโลเขาขอซื้อหนึ่งโลช่างปุ๊บหนึ่งกิโลเต็มเต็มไม่ต้องไปโกงตาช่างแล้วก็ไม่ต้องไปโกงน้ําหนักไม่ต้องไปทำเป็นกดอะไรให้มันดูหนักๆนักก็ช่างให้เต็มที่หรือถ้าเกิดว่าสามารถให้เพิ่มได้ก็ให้เพิ่มได้หรือทำดีกับเพื่ อ, อนบ้านทาดีกับเรื่อนญาติทำดีกับคนที่ว่าเขาเกลียดเรา หรือทำตัวเป็นคนที่ว่ามีคุณธรรมอะไรก็ตามที่เป็นคำสอนอิสลามพี่น้องทำไปเถอะมันคือการดะวะทั้งสิ้นเลยเพรา ะ, ะนั้นถามว่าดะวะยากไม่ไมยากครับพี่น้องทุกคนทำได้หมดขอแค่เราเป็นมุสลิมจริงเพราะอิสลามถ้าจะพูดเดีพี่น้องเรามีสินค้าที่มีคุณภาพสุดๆแล้วปัญหาคือการโฆษณาเรามันไม่ค่อยดี เห็นด้วยไหมล่ะคือในสังคมถ้าพูดถึงมุสลิมส่วนใหญ่ก็คาพูดที่ว่าคุยกันมาเป็นร้อยปีแล้วมั้งพี่น้องรวมกันไม่ใช่แขกแตกกันไม่ใช่จีนประมาณว่ามุสลิมมันรวมกันไม่ได้หรือมันก็ทะเลาะหรือมันก็ด่าว่ากันหรือมันก็แตกแยกกันคือการถกเถียงในเรื่องศาสนาเป็นเรื่องธรรมชาติถกเถียงเถึงเต็มที่มันได้ความรู้เวลาเราฟังผู้รู้ที่ถกเถียงกันท่านหนึ่งก็นํา ความรู้มุมหนึ่งที่เราคิดไม่ถึงมาให้เราฟังอีกท่านก็นําความรู้อีกมุมหนึ่งที่เราคิดไม่ถึงมาฟังคนฟังได้ประโยชน์เวลาถกแต่พอเถียงปุ๊บพอมีการด่าพอมีการว่าปุ๊บไม่มีก็ได้ประโยชน์ทุกคนเสียประโยชน์หมดแต่เวลาถกถกไปเถิดแต่เวลาด่าเวลาทะเลาะเวลาสาบแช่งอันเนี้ยไม่ใช่ละมันไม่ใช่เป็นการด่าว่าที่ดีแล้วคนอื่นไม่เห็นปุ๊บก็โอ้โหมันก็แค่นี้เองแหละนึกว่ามันจะเข่ง อ่ะมัวเป็นสลับแล้วจะดีอ่ะสลับサラฟีนี่ทำไมด่าว่ามันแรงมันชั่วมันเลวนี่ฉันไม่อยากเป็นฉันเป็นอย่างอืน่นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงครับผมที่กรุงเทพพี่น้องมีอยู่ท่านนี้ไม่ระบุอันนี้ผมได้ยินมาคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังข้อเทีจจริงผมไม่รู้มียายคนหนึ่งอ่ะพี่น้องมีที่ดินเยอะแยะมากเลยเป็นมุสลิม แล้วก่อนจะเสียชีวิตเขาบอกว่าเขาเบื่อสังคมมุสลิมเหลือเกินเดี๋ยวก็ด่าเดี๋ยวก็ทะเลาะเดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวก็นี่เขาบอกเขาไม่ชอบเขาเกลียดผลสุดท้ายก่อนตายสั่งเสียมอดกยกที่ดินทั้งหมดให้กับชียาไปยกที่ดินทั้งหมดให้กับชียาเอาไปเลยเพราะเขาบอกเลยครับชียาเนะี่ยดูมีมารยาทดีพูดดีนะเป็นคนที่อ่อนเนาะอ่อนน้องธรรมตนคือได้สังเกตภาพลักษณ์ภายนอกของชียากรีดเขาถูกปลุกฝังมาว่าต้องเนียบไว้ก่อนแต่งตัวแต่งตัวก่อดูเนียบ พฤติกรรมคําพูดคําจาคือมันดูหน้าฟังมันดูดีไปหมดข้างในเป็นยังไงวะรออลไรอีกเรื่องนึ่งแต่พอมาดูมุสลิมโดยเฉพาะคนที่อ้างว่าต้องทําตามนบนีต้องทําให้เหมือนเราจะพบว่าเหมือนตรงไหนเหมือนตรงไหนอันนี้เป็นประเด็นที่เดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวมันจะยาวหยุดแค่นี้แล้วกันเพราะผมก็เป็นผมก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเหมือนกันนะครับถ้าเกิดผมพูดหน้าไปกว่า น, นี้ โอ้มาชาวล้อครับผมคุณมาซิต้านะครับบอกวามีมาเช่นเดียวกันบรารักล้อฟีกกุมแล้วก็คุณหมอเจอหมีนะครับไม่ได้เจอข้อความกันนานนะครับผมเข้ามาให้สลามนะครับก็ไว้คุณสลามกับตัวล้อ บ, บรารักาตัเข้ามาร่วมกันก็จะจากุนล้อใครรอนครับผมก็ผมผมย้ําบ่อยๆนะพี่น้องคือพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องที่เอ่อมาร่วมรับฟังถ้ามีโอกาสก็พิมพ์ข้อความทักทายให้สลามอะไรก็อย่างดีมาเป็นการสร้าง สิ่งดีดีให้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนทั้งผู้ให้กับผู้รับ น, นะครับเอาเรามาดูฟักุรอ ก, กรบ้าต่อการช่วยให้รอดพ้นเนี่ยในเรื่องของศาสนาพูดคุยกันไปแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือการช่วยให้รอดพ้นจากไฟนรกครับผมอันนี้สําคัญเลยพี่น้องประเด็นนี้สําคัญนะหลายครั้งที่เรารักหลายครั้งที่เราเป็นห่วงใครสักคนแต่เรารักเขาแบบผิดผิดโดยเฉพาะสังคมวัยรุ่นครับรักเพื่อนนี่คือที่หนึ่งเลย รักเพื่อนแค่เพื่อนอยู่ด้วยกันมันมีความสุขเพื่อนเข้าใจฉันพ่อแม่ไม่เข้าใจฉันอยู่กับเพื่อนแล้วฉันใจสงบอยู่กับพ่อแม่ฉันโดนด่ายยอย่างเดียวอยู่กับเพื่อนปุ๊บชวนไปทําอะไรที่ฉันอยากทำอยู่กับพ่อแม่นี่อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ธรรมชาติครับพี่น้องทุกยุคทุกสมัยวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยยังไงก็ต้องเข้ากลุ่มวัยรุ่นมันสบายใจมันมีความสุขมันรู้สึกว่ามีใครสักคนเข้าใจเราคือความจริงถ้าครอบครัวมีความสุขปัญหาเรื่องวัยรุ่นจะลดลงไปเยอะนะพี่น้อง แต่ประเด็นนะครับหลายครั้งพอเรารู้สึกว่าเรารักเพื่อนบางทีเรารักกันแบบผิดผิดรักแบบผิดผิดเห็นเพื่อนจะไปทําจีน่าโอ้เพื่อนมันมันชอบผู้หญิงคนนี้มาตั้งนานแล้วเพือมันรักกันมากๆเออเมื่อไปเลยช่วยโกหกพ่อแม่แล้วกันถึงเวลาบอกเออครับคุณอาคุณนะครับเพื่อนผมมาค้างที่บ้านผมเมคืนนี้เดี๋ยวเราจะทํางานทําการบ้านกันช่วยโกหกอันนี้คือส่งเสริมให้เพื่อนลงนรก มุมดูมุมมองดูมุ ม, มองภายนอกเหมือนจะว่าเป็นความรักเรารู้สึกว่ารักเขาจริงๆแต่พี่น้องครับหาพี่น้องเป็นมุสลิมผมย้าเป็นประจำว่าไม่เซฟของมุสลิมเนี่ยชัดเจนแล้วไม่เหมือนไม่เซฟของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเรามองยาวไปถึงโลกหน้าเรามองว่าอะไรที่ทำแล้วอ่อนล้อรักเรามองว่าอะไรทําแล้วอ่อนล้อไม่รักเพราะนั้นเรารักใครความรักของเราที่มีต่อเขาจะอยู่บนพื้นฐานว่าอ่อนล้อจะรักเขาด้วยไหม หรืออัลลอฮฺจะเกลียดเขาเพราะเรการช่วยเหลือเพื่อนให้ทําความช่วยสําเร็จมันไม่เรียกว่าเป็นเพื่อนจริงบางทีแบบโกรแทนเพื่อนได้ตบตีแทนเพื่อนได้บางคนค้ายากับเพื่อนได้ทําสิ่งที่ฮารอมได้ผิดกฎหมายด้วยหรือทำอะไรที่มันเป็นอบายมุกสารพัดที่จะทําได้ด้วยคําว่าเพื่อนอันนี้ถือว่าเราถีบเขาลงในโลกและถึงเวลาเขาก็จะลา拉ลงโลกด้วย ไอ้เราเนะ่ยทีเเ้าไอ้เขาก็คว้าเท้าเราแล้วก็ลากลงไปลงไปทั้งคู่อิสต์บอร์อันเดีนัตบูบิวเมีนัสตะบูเนี่กูได้หลายครั้งครับหลายที่เลยครับเวลายัสรูแฮมมีมนแฮมมี่มาหลายที่ที่มลอพูดถึงว่ารักกันตานจะกืนจะกินในโลกดุรยารักกันมากๆไปโลกหน้าไม่ลงเหลือความรักแล้วไปโลกหน้าทั้งพูดตามทั้งผููถูกตามถ้าต้องลงนรกก็จะขอลากลงไปแล้วทั้งคู่ก็เดนนะินหนักเพราะฉะนั้น อีกหนึ่งของการปลดปล่อยให้รอดผลคือทําให้เขารอดผลจากไฟนรกถามว่ามันเป็นความสามารถของเราเหรือไม่ใช่เอาร้อต่างหากแต่เราทําตัวให้เป็นเหตุย้ํามันต้องมีเหตุมันถึงจะมีผลพเพราะล้เป็นผู้ให้เกิดผลเราเป็นส่วนขับเคลื่อนให้เกิดสาเหตุอย่าไปโยนให้พเพื่อล้ออย่างเดียวเลยพี่น้องเรา เป็นฟันเฟืองหนึ่งซึ่งทําให้เกิดสาเหตุซึ่งมันจะส่งผลให้เกิดผลจากพวกลัทธิพหันหัวใาล่ะเหมือนกับคนไม่สบายหนักๆอะบอกว่าเดี๋ยวล้อใจห้หายฉันก็คงจะหายผลอยู่ที่อัลลอฮ์หายอยู่ที่อัลลอฮ์แต่พวกล้อบอกนบีสบอกเราแล้วว่าทุกโรคมียารักษาไม่กินยาเลยแล้วบอกว่าเดี๋ยวร้อยหายมันก็หายเองไปหวังแต่ผลอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่แล้วข้ามคาสอนอิสลามด้วย แต่ดาวูดท่อดีวัสดุสมบัติครับพวกท่านทั้งหลายจงทําการรักษาเพราะไม่มีโรคภัยใดที่เอาล้อให้เกิดขึ้นนอกจากต้องมียารักษาเป็นคําสั่งให้รักษาด้วยซ้าเช่นเดียวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างโควิดครับปัจจุบันยังคงหลงเหลือความคิดผิดผิดอยู่ที่ว่ามอบหมายต่อร้อนสิจะกลัวร้อนหรือจะกลัวโรคภัยไข้เจ็บทำยันศาสนาไปกลัวอะไรแหละโรคภัยไข้เจ็บยังมีความคิดผิดผิดอยู่หลังจากที่คัสเตอร์มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็เกิดขึ้นต่อ ไม่ขอพูดมากผมไม่อยากที่จะชี้นิ้วด่าว่าอะไรใครเพียงแต่อยากจะบอกว่าไอ้ความเข้าใจผิดในเรื่องตะวักุนเนี่ยมันยังคงมีมากมายในสังคมนี้มอบหมายแบบผิดๆหรือที่เรียกว่าโยนให้พวกเราล้ออย่างเดียวตัวเองไม่ต้องหาอสบาร์บแล้ว <c oughs> ตัวเองไม่ต้องหาริสกีเดี๋ยวล้อให้ก็มีเองตัวเองไม่ต้องหาข้าวเดี๋ยวเราจะให้ก็ไม่ให้มีเอง แต่ถึงเวลาพออยากได้มีน้อยพออยากได้พอทำชู้จะทำซีนาอะไรไม่เห็นบอกว่าเดี๋ยวเราจะให้ก็มีเองไปแสวงหาไปขนขวายไปจีบไปทำทุกวิธีทางเพื่อจะได้ทำสิ่งที่อารอมมันก็แปลกนะคนเราหรือบางคนพอถึงแล้วบอกมอบหมายปุ๊บพอไม่สบายปุ๊บหมอผมจะหายไม่หมอขอฉีดยาด้วยผมผมยังไม่อยากตายอ้าวแล้วการมอบหมายหายไปไหน เพราะนัน้มอบหมายก็ต้องมอบหมายให้ถูกต้องพวกเราะเป็นผู้ให้เกิดผลเราเป็นฟันเฟืองที่ทําให้เกิดเหตุเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือคนให้รอดพ้นจากไฟนรกเราต้องทําตนให้เป็นฟันเ ฟ, ฟืองที่ทําให้เกิดเหตุเพื่อให้พวกเราสุภานหัวตานั้นให้เขารอดพ้นจากไฟนรกเช่นเดียวกับให้เรารอดพ้นจากไฟนรกอย่างง่ายๆเลยพี่น้องสมมติพี่น้องไปกับเพื่อนๆ เ, เข้าห้างสรรพสินค้าถึงเวลาจะเข้าห้องน้ํา ผู้ชายครับหลายๆคนก็จะไปยืนฉี่พี่น้องก็บอกเลยนายนายนายเข้าน้ำทำลานา ย, น, ายนั่งฉี่ครอย่ายืนฉี่เรากลัวว่าเดี๋ยวนายจะเข้าขายคนที่ถูกลงโทษในหถุงฝังศพพี่น้องจำได้นะที่ท่านน บ, บีเมื่อสละสลามผ่านสองหลุมศพแล้วนบีบอกว่าสองหลุมศพเนี่ยถูกลงโทษอยู่โดยทัวงสังสองเนี่ยถูกลงโทษในเรื่องที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมองข้ามคิดว่าเปน็นเรื่องเล็กๆหลุมศพหนึ่งก็ฉี่ไม่ระวัง ยินฉี่คือฉีไม่ระวังนะพี่น้องเพราะฉี่มันสเด็จมันกระดอนกลับมาร้อเปอร์เซนผมรับรองกลับมาแน่นอนครับพี่น้องพี่น้องอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้แต่มันกระเด็นกลับมาแน่นอนถ้ากระเด็นกลับมานั่นคือในยิสแล้วในยิสนั้นทําให้ละหมาดของพี่น้องใส่ไม่ได้บางคนอาจจะบอกผู้ไม่รู้ไม่ผิดไม่ใช่เหรอไม่รู้ไม่ผิดเนี่ยมันมีกรณีของมันต้องแยกให้ออกนะไม่รู้ไม่ผิดกลับมักง่ายผิด ไม่เหมือนกันนะถ้าเรามักง่ายมีโอกาสเรียนรู้แล้วไม่ยอมเรียนรู้แล้วถูอราละหมาดไม่เป็นบอกว่าฉันไม่รู้ฉันไม่ผิดผิดครับเพราะนี่มันเกิดจากความมักง่ายไม่ใช่ความไม่รู้เช่นเดียวกันกับการยืนปัสวะผมยกแค่ตัวอย่างเล็กๆมันไม่ใช่ไม่รู้ไม่ผิดมันเป็นความมักง่ายพี่น้องอย่าลืมผู้ล้อรักผู้ที่สะอาดพี่น้องเคยคิดไหมทำไมผู้ล้อรักผู้ที่สะอาดทาไมผู้ล้อรักความสะอาด เพราะผู้ที่สะอาดเขาก็จะรักแต่พฤติกรรมที่สะอาดนี่พี่น้องเห็นด้วยไหมล่ะคนที่ระวังตัวคนที่รักความสะอาดเขาก็จะรักพฤติกรรมที่สะอาดคนที่ศกดปกก็จะรักพฤติกรรมที่ศกปกคนที่ใจสักปกเขาก็จะรักการทำซีน่คนที่ใจสักปกเขาก็จะรักการกินอาหารที่ซีน่ คนที่รักสิ่งที่สปกปรกเขาก็จะรักการทําอะไรก็ตามที่เป็นอบายามุกอะไรก็ตามที่ทําแล้วเอาล็อกกฎเอาล็อกเกียดถามว่าพ่ออะไรพ่อเขาเ้าไปคนสปกปรกบางคนถามอาจารย์เนี่ยทนายแฟนหนูนอกใจหนูเนี่ยหนูก็ทํางานไม่ขาดตกบกเพราะงานบ้านก็เต็มที่งานบนเตียงหนูก็ไม่เคยขาดเดี๋ยวเรื่องงานบนเตียงเนี่ยเราอาทิตย์หนา้าอินชาร์ล้อนะครับจะเป็นช่วงอาทิตย์ครอบครัวสุขสันต์ผมจะอาดเต็มที่เลยนะจะคุยเรื่อง เ, อเรื่องเรื่องสิเก้าสิบแปดบวกอินชาร์ล้อนะครับผม เรื่องบุตรีสำคัญนะย้าทางพ่อบ้านทางแม่บ้านแต่ตอนนี้กลับมาก่อนครับแล้วกำลังพูดว่าคนที่สกรปรกพฤติกรรมก็ยังมีแต่พฤติกรรมที่สกรปรกเพราะนั้นบางคนมาบอกแม่บ้านบางคนมาถามผมหลายคนในที่มาถามอาจารย์ทําไมแฟนหนูนอกใจทใําไมแฟนหนูไปทําซีนาทำไมอย่งนี้นทำไมางนหนูก็ทําตัวเต็มที่แล้วพี่น้องขอโทษถ้าผมพูดแรงๆก็เพราะแฟนเราสกรปรกนี่อย่างน้อยก็ตอนนั้นนะ่ะเขาสกรปรกินชาว ล, ล้อคอยล้อทำให้เขาศาสต์ล้อให้เขาต่อใบให้เขากลับมือกลับตัว แต่ตอนนั้นเนี่ยเขาสกกระบอกไงเพราะคนสกกระบกย่อมรักพฤติกรรมที่ศกกระบอกแล้วย่อมรักสิ่งที่สกกระบกขอมทถ้าผมพูดแรงแต่นี่คือตรงที่สุดแล้วจากอัลกุรอานจากคดีสั่คบีซู น, ะนี่ยหรือขบีซาริกุรอานครับที่พื่เราบอกคนชั่วนั้นก็ย่อมคู่กับพฤติกรรมที่ชั่วคำพูดที่ชั่วคนดีก็ย่อมคู่กับพฤติกรรมที่ดีคำพูดที่ดี เพราะ น, นั้นที่พวกล้อรักผู้ที่สะอาดเพราะผู้ที่รักสะอาดเขาก็จะรักการงานที่สะอาดรักการให้อภัยรักการช่วยเหลือเผู้แพรผู้อื่นรักในเรื่องของความสะอาดรักในเรื่องของการละหมาด ร, รักในเรื่องการถือสิ่งเดิมทำอิบาระอะไรก็มีแต่ความสุขเพราะเขาเป็นคนที่สะอาดใจเขาสะอาดแต่ถ้าเป็นคนสกปรปกใจสกปรปกอย่างที่ผมบอกพี่น้อง เขาจะรักแต่สิ่งที่สกกระปงเพราะนั้นพี่น้องตรวจสอบตัวเองง่ายๆถ้าเรารักแต่สิ่งที่สกกระโปงนยะขอไปโทษต่อร้อยมากๆขอต่อบใบมากๆผมก็รักสิ่งที่สกกระปงพี่น้องก็พูดตรงๆผมไม่ได้พูดมาเรื่องชี้หน้าด่าใครแล้วบอกว่าผมประเสริฐผมดีผมก็เป็นคนไม่ดีเราเลยต้องขอไปโทษต่อเพวกเราเป็นประจำอย่พี่น้อง ต้องขอตาบ้าเป็นประจำไงเพื่อให้ใจเราสะอาดขึ้นเ <ess> พื่อให้เรารักความสะอาดมากขึ้นเ <ess> พื่อให้เราเป็นคนที่สะอาดมากขึ้นเ <ess> พื่อที่เราจะได้รักสิ่งที่สะอาดเ <ess> พื่อที่เราละหมาดแล้วจะได้มีสมาธิเองพี่น้องใจสกรปรกไม่มีทางสะอาดและมีสมาธิพี่น้องไม่มีทางไม่มีทางของไม่มีทางคนที่ใจสกปรกไม่มีทางที่เขาจะละหมาดแล้วมีสมาธิได้อันนี้เป็นสิ่งที่ขอฝากตัวผมแล้วก็ฝากพี่น้องทุกท่านไว้ ครับอันสุดท้ายในเรื่องของการปล่อยให้รอดพ้นที่อยากจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือการปล่อยหลังจากที่เราบอกฟักกูรกะบะปล่อยให้รอดพ้นสิให้คอรอดพ้นจากการตีตัวสิปล่อยใครครับครั้งนี้ปล่อยตัวของเราเองนี่แหละให้รอดพ้นจากความกดกิ้วขอล้อพี่น้องฟักกูรกะบะความหมายครอบคุมว่าเจ้า จงทำให้ตัวของเจ้าต้นคอของเจ้ารอดพ้นจากการถูกโตถูกตึงด้วยกับโซ่ตรวนที่จะลากเจ้าลงไปในไฟนรกพี่น้องพวรสุภารตรากาวในว ก, หนกหุหากลาบว่าไงพวรสุภานหวตาพวรสุลาก่าไวในคำภีของพงเกี่ยวกับเรื่องของชาวนรกไวในสลยาซีนเนี่ยพี่น้องหลายท่านน่าจะคุ้นเคยอินอันฟีอานาิมอัลลาลัน ف แน่นอนชัวๆเลยเราเนี่ยจะได้ตรวนคอทั้งหมดของชาวนระกนองซีบ Z ิไลมีใะรีผมไม่อยากมาทาปรับคอของผมผมไม่อยากเปรียบเทียบว่าเป็นตัวผมนะแล้วเราเนี่ยจะได้ตรวนตึงตวนต้นคอไปจนถึงหูคือตึงไปสูงเลยอีลอรอัฟกอร์ขึ้นไปแบบตึงแบบสุดๆฟะหมมาหูมุกมาหูโดยที่หน้าของเขาเน่ กดไปกับพื้นอยู่ในสภาพที่ไม่เหลือคุณค่าของความเป็นคนแล้วไม่เหลือเกียรติแล้วคืออับยศที่สุดแล้วพวกเราบอกว่าจะตึงแล้วก็ลากลงไปนี่คือชาวนรกถูกตึงคอเอาไว้ถูกล่ามคอเอาไว้เพราะฉะนั้นฟัก ก, กูร็อกกบาที่สําคัญที่สุดที่ว่ามาทั้งหมดเป้าหมายสําคัญเราก็คือเพราะเราอยากรอดพ้นจากไฟนรกที่เราทําทั้งหมดที่เราปล่อยแทด ที่เราให้อาภัยควาตะกรในคนที่แบบว่าเขาผิดพลาดไปที่ว่าเราช่วยเหลือมุสลิมให้รอดพ้นจากการถูกอาธรรมที่ว่าเราทําให้คนรูจ้จักศาสนาที่ว่าเราทําให้คนรอดพ้นจากไปนรกทั้งหมดเป้าหมายหนึ่งเดียวใหญ่ที่สุดกลับมาเพราะเราอยากรอดพ้นจากไฟนรกถูกไหมครับพี่น้อง เห็นด้วยไหมนี่คือเป้าหมายที่สําคัญที่สุดของพวกเราทุกคนครับผมวันนี้วันศุกร์นะครับพี่น้องซึ่งปกติวันศุกร์ผมค่อนข้างจะมีเวลาเพราะนั้นพี่น้องบางท่านอาจจะบอกทํำไมครังนี้ยาวจังก็ขอเวลานิดนึงเพราะว่ามีเรื่องที่อยากจะคุยกันเยอะหน่อยแต่ว่าตอนนี้น่าจะถึงแค่ตรงนี้จริงๆเรื่องต่อไปเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อในช่วงอื่นถ้ามีเวลานะครับผมก็ผมทำํำสร้างโพลไว้ผมไม่รู้มันเกิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผม พยายามกดสร้างโพแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะกดบันทึกจะขึ้นไหมโอเคครับผมคิดว่าน่าจะเปิดโพไว้แล้วนะครับก็ขอพี่น้องช่วยบวชให้หน่อยนะครับผมว่าในส่วนของทับซีหลังจากจบสุรบบารัดเราจะไปอะไรยังไงต่อนะพี่น้องบางทีสุรบบาลัดค่อนข้างจะยาวอย่างที่พี่น้อง ทราบกันนะครับคุยกันมาค่อนข้างจะยาวเออในส่วนของสุรัตุ์บาลัดเนี่ยเราน่าจะจบน่าจะอีกสักผมหวังว่าจะไม่เกินสักสีตอนหวังว่าสักสีตอนมีเรื่องที่อยากคุยกันอีกส่วนหนึ่งแต่พอเสร็จปุ๊บเราจะไปต่อนิวสมาหรือเราจะไปส่วนอื่นอย่างเช่นอาจจะไปแยกกุซลีหรืออาจจะไปสุรัตน์อนุนหรือพี่น้องบางท่านอาจจะบอกว่าเอาอย่างนี้ไปเลยเราจะคุยกันทุกวันไปเลยเป็นวันละหนึ่งอายะไปเลยหนึ่งวันหนึ่งอายะเอาว่าจบเมื่อไหร่ก็จบเรื่ เมนั้นก็ขอบวชกันมาครับขอช่วกันบวชกันมาซึ่งวันนี้นะครับเราได้คุยในยักุรานของพลอสุภาตราอายะที่13ที่ว่าฟักกุรกกักะบะหลังจากที่พวกกล่าวว่ฟาฟรั่งกตามลอั ก, กบะเขานั้นไม่ได้เลือกปีนฉง น, นผาวามาดละกมลอักบะอะไรล่ะคือฉงนผาฟักกุรักะบะอะไรคือการปีนฉง น, นผานั่นคือการที่ว่าทําให้รอดพ้นทาให้ โซ่ที่ตึงอยู่นั้นมันหลุดออกไปจากต้นคอก็ขอด้วยจากพระลอสุภานหัวใจแลาผู้ทรงสูงทรงผู้สูงใหญ่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีพระเจ้าในนอกจากพระองค์ผู้เป็นที่พึ่งเดียวของเราผู้พึ่งไม่ได้คือไม่ได้คลอดใครมาแล้วก็ไม่ได้ถูกคลอดแล้วก็ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ขอด้วยจากพระลอสุภานหัวตใจครับเพื่อเราเป็นหนึ่งในกลุ่มที่พวกเรานั้นปลดปล่อยให้ต้นคอของเราลอดพ้นจากไฟนรก ตัวลอปวดปวดเปื้องโซ่ตัวที่มันจะลากเราลงไปในความกดกิ้วของพวงที่มันจะลากเราให้ไปเจอกับไฟนรกของพรวงโปวดปวดเปื้องไส้คอไส้โซ่เหล่านั้นให้เราพ้นไปจากเราด้วยเถิดแล้วก็ยาวล้อผู้ใดก็ตามที่ปว่วยไข้า ย, ยาวล้โปรดรักษาเขาผู้ใดก็ตามที่มีนิสัยยาวล้อปวดช่วยปวดเปื้องให้กับเขาผู้ใดก็ตามที่มีความทุกข์โอ้ล้อปวดตอบ เราลมให้กับเขาโปวดให้ความสุขแก่เขาผู้เด็ ก, ก็ตามก็ที่ยังมีความกลัวอย่าล้อปรดให้เขามีความหนักแน่นมั่นคงอย่าล้อปวดให้พวกเราทุกคนนั้นมีหัวใจที่หนักแน่นมั่นคงในการเป็นบ่าวที่ดีของพระ อ, องค์ด้วยเถิดขอให้เรานั้นรักพระ อ, องค์ขอให้เรานั้นรักการงานที่พระ อ, องค์รักแล้วก็ขอให้เรานั้นรัก ใครก็ตามที่พงรักเขาแล้วที่เขาก็รักพกงษขออย่าให้เรานั้นในส่วนหนึ่ในหัวใจของเรานั้นขออย่าให้มีความเกลียดชังต่อบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วก็ขออย่าให้เรานั้นได้พ่ายแพ้แก่บรรดาศัตรูของเราด้วยเถิดครับอาเมนครับผมสำหรับพี่พี่น้องที่สละมาในภายหลังนะครับคุณเกีษรินนะครับสลามา ก, ก็วันคุณสละมอตุล้อวัรดอกกะทู่นะครับคุณเ อ, อ ชขาแชหรู้ป่ะครับรอขอมัดจะออกเสียงผิดนะครับผมสลามมากวันคุณสลาหมาตัวรอบบอกกาตูเช่นเดียวกับคุณนิสโมสเฟตนกนะครับผมบอกกระบี่ภาพเสียงชัดเจนอลัลฮัมดุลิลละครับผม <S <S มีท่านใดที่ทักมาแล้วผมไม่ได้คุยต่ออ๋อครับไอเดินยาคือคุกเสพท์พุทธาบอกยาวไปเลยนะครับครับก็ครับเสนอมาว่าน่าจะวันจันทร์ดูอาอังคารวอติศาสตร์มันพุทธศรรีกก็อินชา ล, ลอ้นครับพยายามพยายามจัดให้มันลงตัวแต่ตอนนี้ผม พยายามเคลียร์เนื้อหาที่มันมันค้างค้างมานานๆนะครับผมก็เอ่อไอที่หน้าเดี๋ยวดูกีแต่ว่าเดี๋ยวผมรอดูผลโบทของพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวว่ากันต่อไปเพราะว่าอย่างน้อยพี่น้องที่อยู่ตอนเนี้ยถือว่าเป็นแนวหน้าละถือว่าเป็นแนวหน้าที่ว่าดูเร่วมไลฟ์นี่ะครับก็ต้องให้สถานะพิเศษแน่นอนพี่น้องที่ฟังภายหลังก็อยู่ในสถานะพิเศษในใจผมเช่นเดียวกันครับผมก็ช่วยกัน บวชนะครับชืจันวชแล้วก็มีข้อมูลก็ว่ากันมาครับก็ในที่นี้ขอละให้พรแล้วก็ให้ความสันติให้ความเจริญให้สิ่งที่างานเกิดขึ้นแก่ท่านบุมลลสลลออัยสลัมแล้วก็บวงวารของท่านแล้วก็คนที่รักท่านทุกคนที่เถดอามินครับอกูลีฮัุลลฮ ล, ล, ลิวลมวลิซาลมุสลิมีนมินะรอินูวลกฟู อ, รอัราฮมซุบฮนัลอฮัมดิะ ว่าบารักะทูั